นรูุ้ึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันแง่คิดการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่ปกติแต่ว่าจิตใจเป็นปกติฟังแล้วเพื่อจะเป็นแนวทางในการออกไปดำเนินชีวิตเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชีวิตและชีวิตก็จะมีความสุขในท่ามกลาง ความไม่สะดวกของร่างกายที่ศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพแรงงานเนี่ยรู้สึกว่าจะคุ้นเคยกันผมมาที่นี่ทีไลผมรู้ว่าผมมาอยู่ที่บ้านเก่า <c oughs> มีอะายหลายอย่างนี้มันเหมือนกับผมจะเวลาเมืก่กว่าเมื่อกับคนที่เคยเกิดอยู่ในภพภูมิเดียวกันมาก่อน มันพี่มันน้องกันอย่าถือว่าเป็นอาจารย์อย่าถือว่าเป็นผู้พิการเราทุกคนอย่างนี้เป็นอะไรหรอกเป็นเพียงแค่มนุษย์ไม่ใช่คนพิการคนพิการเป็นเรื่องสมมุติเปเรื่องความคิดเป็นการปรุงแต่งอันนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงคือการสื่อด้วยสายตาด้วยจิตใจ การไปอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้คือของจริงเราไม่เป็นอะไรอาจจะมีความไม่สะดวกบ้างถ้าร่างกายแต่ใจมันก็สบายดีอยู่นะเพราะว่าที่นี่เป็นครั้งที่สามแล้วมาแต่ละครั้งก็ได้มาพบปะกับเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันที่ว่าไปแล้วก็อาการดีกับผมดังนั้นนะร่างกายดีกับผม ดูแลบางคนแล้วเหมือนไม่เป็นอะไรเาขาถามเลยว่าใครทางด้านร่างกายเนี่ยมีความพิการตั้งแต่กำเนิดบ้างมีไหม <c oughs> ไม่มีเลยใช่ไหมเรานี่คือผู้ที่โชคดีนะมันมีคลดรับอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้พิการรุ่นพี่นะ <c oughs> ขอถือ พิการรุ่นพี่ได้สัปรับกับสภาพร่างกายที่พิการมามากมายหลายคนหลายระดับได้เคยคุยกับคนที่พิการมาแต่กําเนิด <c oughs> ผมขอรู้สึกเขาว่ารู้สึกเป็นอย่างไรที่คุณเกิดมาเนี่ยมีสภาพร่างกายเป็นอย่างนี้เลยคือก็เป็นโปริโอผาลีบแต่เดินได้เดินขาเดียวอีกข า, ข า, ขาก็ขยบขยิบไปตามเรื่อง เขาบอกว่าเขารู้สึกสบายใจสบายใจดีนะกับสภาพที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาเกิดมาเนี่ยเขามีความเคยชินกับสภาพร่างกายที่พิการอบบนี้มาก่อนเขาสึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อชีวิตเขาไม่แปลกก็เราเปรียบเทียบชีวิตรเราถ้าอย่างนั้นคนที่พิการมาแต่กําเนิดเนี่ยจะมีความทุกข์มีปัญหาน้อยมากเพราะเขาปรับสภาพได้ดีนะเขาเกิดมาเจอสภาพอย่างนั้นเลยแต่ คนที่มาพิการในภายหลังเนี่ยจเจนว่าจะมีปัญหาและมีความทุกข์มากกว่าเพราะว่าหลไรเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันที่มีอยู่กับชีวิตอดีตที่เคยผ่านมาไปเปรียบเทียบว่าชีวิตอดีตนั้นมันดีปัจจุบันที่เรามันแย่เราไม่ดีเราเปรียบเทียบแค่อดีต มหาปัจจุบันแต่เรายังไม่ได้มองภาพอนาคตนะซึ่งการพัฒนาของร่างกายเนี่ยมันมีการฟื้นฟูไปเรื่อยๆความชำนาญความเคยชินมันจะเกิดความเป็นธรรมชาติเรายังไม่เคยมองถึงอนาคตแตไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอีกประเภทที่เขาแย ก, กเราจะรู้ว่าเรานี่โชคดีกว่าเขาอย่างในเนี้ย ไหนนิ้วมือใครที่กระดิกไม่ได้เลยมีไหมกระดิกไม่ได้เลยนะอ่ามีคนเดียวนะได้มือนึงนะอ่ะอ่า <c oughs> แค่นี้กันเหนื่อยกับผมแล้วผมสองข้างกระดิกไม่ได้เลยไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยกมือไหวกระดิกไม่ได้เลยเน้ะเป็นอย่างนี้มาสามสิบปีแล้วและก็จะเป็นอีกเรื่อยๆ จวกว่าจะเข้าเตาเผามันก็จะหายไปนะเพราะนั้นในที่นี้อยากคิดว่าเราเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเราอาจจะเป็นคนโชคร้ายในระดับเดียวกันแต่ว่าคนที่แยกกับเราเนี่ยเราจะเป็นคนโชคดีอย่างตอนนี้โชคดีกับผมผมไปไหนต้องมีคนช่วยต้องมีรถเข็นสภาพร่างกายก็จะอ่อนแอกับพวกเราเกิดถ้าเปรียบเทียบหน่อยแล้วก็ อย่าเปรียบเทียบกับชีวิตเราในอดีตอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีกว่าเราถ้าใช้กําลังใจเปรียบเทียบคนแย่กับเรานะว่าเราจะเป็นคนโชคดีมองคนที่แย่กับเราเป็นบุคคลที่น่าสงสารมองคนที่ดีกับเราเป็นบุคคลที่เอาเป็นตัวอย่างเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างแล้วมาปรับใช้กับชีวิตเราผมเองแต่ก่อนก็ไม่ได้แข็งแรงแบบนี้หรอกนะแต่ใส อยู่มานานเกิดความเคยชินในการใช้สภาพร่างกายเมื่อเกิดความจานานเลยมองเห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมดาของชีวิตเราอย่างนี้เองถ้าเรายอมรับได้มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาของเราเนี่ยอใจมันสบายเลยไอ้ที่ใจเราไม่สบายเพราะเราไม่ยอมรับมันเป็นธรรมดาอัเนี้ยไอ้ที่มีรอยภาพันเนี่ยไม่ใช่หมัดขวาหนักนะมันเป็นการเรียนรู้ว่าเออถ้าเราจับแก้วที่มัน มีหูนะจับแก้วขึ้นมาเนะี่ยผมจะใช้แก้วที่มีหูนะแก้วธรรมดาจับไม่ค่อยติดพอจับแก้วที่มีหูแล้วพอดีแก้วมันเป็นแก้วน้ําร้อนนะ <c oughs> แล้วเราไม่รู้สึกนะเพรไม่มีความรู้สึกนะเอามือไปจับก็ก็ไม่รู้สึกจับเข้ามาดื่มอย่างสง่าเลยนะดื่มปับ๊บไอ้มันร้อนนี่มาู้สึกที่เราดื่มน้ํามันร้อนแล้วไม่รู้จะวางตรงไหน <c oughs> รอจนกว่าน้ําจะเย็น มันก็เลยพองไม่มีเสียใจเลยนะผมกำลังจะเรียนรู้ชีวิตของผมเรียนรู้ว่าถ้าเราจับแก้วร้อนแล้วสภาพร่างกายที่มันไม่รู้สึกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกอย่างนัน้นเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งสิ่งที่พอใจไม่พอใจคือการเรียนรู้เรียนรู้แล้วต่อไปเราจะรู้ความจรงิงแล้วจะตัดใช้กับชีวิตสภาพที่ไม่ปกติยางไม่มีปัญหา คนที่ร่างกายผิดปกติมีปัญหาแล้วทําให้ใจต้องเป็นพกุกก็เพราะว่าอันับแรกคือเราไม่ยอมรับความจริงที่มันปรากฏขึ้นในปัจจุบันการไม่ยอมรับความจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทําให้ใจเราเกิดการต่อต้านและการต่อต้านของใจเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการทําให้ใจเราเนี่เคร่งเครียดใจเราทําให้เครียดเครียดมากยิ่งขึ้นมันยิ่งต่อต้าน เรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใจจะเริ่มมีการผ่อนคลายแล้วนะเราสังเกตุดูถ้าราับผิที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใจจะผ่อนคลายถ้าไม่ยอมรับมันจะเกิดอะไรขึ้นคือจิตจิตใจเราเนี่ยมันจะคิดมากเลยมันจะมีแต่วความวมิตกกังวลแล้วสิ่งที่เวลาเราวิตกกังวลเนี่ยมันทําลายจิตใจเราแล้วก็ทําลายร่างกายเราด้วยนะทําให้เรานอ น, อนไม่หลับ กวลแต่เรื่องของเราเนี่ยนะเรามองแต่แคบๆว่ามีเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ที่เป็นอย่างนี้ใจมันก็คุ้นคิดต่อต้านบิกอัดขัดเคืองนอนไม่หลับสุขภาพกายก็ไม่ดีอยู่แล้วสุขภาพใจพลอยเสียไปด้วยและเมื่อใจเสียแล้วไอ้ร่างกายมันเสียอยู่ก่อนแล้วมันก็จะชุดหนักลงไป น, นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างกายมันเสีย แล้วใจเสียด้วยเนี่ยเท่ากับจิตมันพิการอยู่นะะ <c oughs> <c oughs> จิตพิการก็เกิดเพราะอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะจิตใจเราหงุดหงิดอึดอัดขัดเคือง <c oughs> ไม่พอใจไม่สบายใจนั่แหละ <c oughs> หรือมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโกรธ <c oughs> นั่นแหละคือตัวลของจิตที่พิการเราเลยกลาดูนคนที่พิการสองต่อเลยทั้งกายทั้งจิตไอ้จิตที่พิการเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่จําเป็นสําหรับคนที่ เฉพาะที่ร่างกายพิการเท่านั้นคนที่กายไม่พิการเป็นปกติถ้าจิตยังโกรธยังเครียดยังซึมเศร้าฟุ้งซ่านงุดงิดอิดชาเสียหายวิตกวันเมื่อแล้วก็นั่นคือจิตที่พิการอยู่ในร่างกายไม่พิการแล้วในโลกเนี้ยมีไหมที่คนจิตไม่พิการนะถ้าคนยังโกรธยังเศร้ายัง ซ, งซึมอยู่แล้วก็จิตพิการเท่านั้นแหละ เพราะนั้นเราสบายใจได้ร่างกายมันพิการแต่ว่าจิตเราสามารถที่ทำให้พ้นจากความพิการได้คือใจเราต้องไม่เป็นทุกข์กับสภาพร่างกายนี้ตามที่เขาเคยพูดกันว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราได้ยินบ่อยใช่ไหมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเราใช้ความคิดแบบว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยเราจะเริ่มยอมรับความจริงนะอยาคิด อย่าพูดโดยที่พูดต่างๆออกมาใจาต้องเข้าถึงด้วยว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องรู้จักวิธีคิดเรามีสมองเนี่ยใช่ไหมมีสมองมีสติปัญญาเราต้องรู้จักคิดที่จะให้จิตเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นต้องคิดให้กําลังใจตัวเองอย่าไปคิดทําให้ใจรเราท้อแท้ซ่อมหมอมันเสียเวลามันขาดทุนคิดมองในแง่ดีสบ้างเราจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตเราได้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนีย่ยดีนะที่เรายัางรอดชีวิตมาได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุเราโชคดีแล้วที่เราได้มีโอกาสมาแก้ตัวถ้าเราต้องตายไปในขณะที่อุบัติเหตุตนนั้นเราอาจจะตก อ, อับไปภูมิก็ได้ไม่มีโอกาสแก้ตัวเรายัางรอดชีวิตมาได้แล้วรอดมาแล้วยังมีความพิการน้อยกว่าคนบางคนที่นอนใช้นิ่ง เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ได้เพียงแก้กระพริบตาหิวข้าวหิวน้ามันคันมันเมื่อยก็บอกใครไม่ได้เรายังรอดมาแล้วช่วยตัวเองได้โอ้นี่โชคดีหลายระดับเลยนะรอดชีวิตมาได้แก้ตัวและกวาพิการมันนิดเดียวแค่นี้เองยังโชคดีคนบางคนที่มันย่ำแย่กว่าเราเราต้องรู้จักวิธีคิดเป็นการ ทำให้สถานการณ์ของชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นมาเนี่ยเราโชคดีละอย่ามองในแง่ที่ว่าเรานี่แย่แย่แต่วิธีคิดสําคัญนะวิธีคิดนี่สําคัญมากแล้วเราลอดมาแล้วจะทำอย่างไรตอนนี้ละ่ะเป็นเรื่องของการที่ยวก้าวเดินไปข้างหน้าชีวิตอย่าถอยหลังการถอยหลังชีวิตคือการคิดแต่เรื่องอดีตเสียเวลามันต้องคิดก้าวหน้าเริ่มจากปุวยวันแล้วก้าวหน้าไปว่าเวลาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย เราควรจะทําอย่างไรที่จะพัฒนาชีวิตเราให้มันดีขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดตามตำราพูดจากประสบการณ์และมันก็ทําได้แล้วก็ดีด้วยนั้นอยากจะมาแบ่งปันพวกเราว่าลองคิดแล้วลองทําแบบนี้ดูบ้างเลยไม่ช้าไม่นานเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราโดยเพราะเริ่มที่จิตใจก่อนเราจะใช้เวลาชีวิตที่เหลือเนี่ยอีกยาวนานนะ ที่ไปยาวนานเพราะทุกคนดูแล้วยังยังมีอายุอีกยืนนานให้กํากลังใจก่อนนะเราจะพัฒนาชีวิตเราอย่างไรมีการพัฒนาสองด้านพัฒนาทางด้านร่างกายกับจิตใจเนี่ยอย่างเนี้ยศูนย์ฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพแรงงานเนี่ยเขาก็ฟืนฟ้นฟูทางด้านร่างกายเน้นร่างกายมากแต่วันเนี้ยผมจะมาช่วยเน้นทด้านจิตใจเนี่ยสองด้านเลยประกอบกัน เราจะมีวิธีการฟื้นฟูนสมรรถภาพทางด้านจิตใจอย่างไรมันน่าลองนะเอาละเราจะทําอย่างไรกับชีวิตเราเด่น้อยเราต้องคิดที่จะแก้ปัญหาตัวเราโดยการหาสิ่งที่เราทําเป็นงานที่เราทําเป็นประจําที่เราชํานาญที่เหมาะกับสภาพร่างกายของเราที่จริงพูดวันนี้เนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ค่อยบั่นใจว่าผู้เราพิการเลยนะสมมุตินะ เราจะหางานอะไรที่มันทำเหมาะกับสภาพร่างกายที่พิการอย่างเราเนี่ยตัวเนี้ยทุกคนก็แสวงหายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาสนใจตรงนี้มากมายเราอย่าไปทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เราเริ่มแากที่เราทําได้ก่อนไอ้ที่ยากเอาไว้ก่อนอย่าคิดไปขายลอตเตอรี่ทําไมคนพิการต้องขายลอตเตอรี่ด้วยมันไม่ถึงขนาดหรอกเอาให้คนเขาปกติเกาขายกันดีกว่า ไอ้เรื่องการพนันอบายามุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเรานี่มันต้องพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้มันดีการขายลอตเตอรี่เนี่ยเป็นอบายามุกนะเป็นการมอมเมาประชาชนนี่ลงโทษคนขายแต่คนเล่นนี่ยังนะไม่ว่าอะไรนะเอาไว้รุ่นบ้านก็ได้มันมอมเมาเราล่างกายไม่ดีแต่ทำไมต้องไปมอมเมาไอ้คนอื่นเขาจิตไม่ดีด้วยเราเห็นไ ไม่ต้องขานกรีก็ได้งานที่จะทำที่มีเกียรติเขาว่ามีเกียรติคือไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยมันมีอีกเยอะหลายอย่างงานที่เราพอจะเลือกหาได้หางานที่ทำให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเราถ้าทำงานในหน่วยราชการไม่ได้ไม่เป็นไรทำงานส่วนตัวของเราเราสามารถเปิดทำได้ ให้รองดูก่อนก็ได้นะ yeah. อิปะการหนึ่งอันนี้เราจะใช้ชิ้นงานให้มันมีคุณค่าสำหรับตนเองแล้วก็ผู้อื่นเราเริ่มทำประโยชน์ได้แล้วนะทุกคนสามารถทำประโยชน์ได้ไม่ว่าร่างกายอยู่สภาพใดก็ตามเราสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมกับสาธารณชนได้อย่าคิดว่าคนพิการจะรอรับแต่ความช่วยเหลือจากอื่นเสมอไป เราสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้ถ้าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้แม้แต่เรื่องเดียวนิดเดียวเนี่ยเราจะเกิดความภูมิใจมองตัวเองว่าสภาพร่างกายอย่างนี้ก็มีคุณค่าเหมือนกันเราจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็เราจะมีคุณค่าของตัวเองจะเห็นคุณค่าของตัวเองจะมีกาลังใจสองประการเลยนะ หางานที่เหมาะสาหรับเรางานที่เป็นสุจริตไม่ผิดกฎหมายดีทั้งนั้นอย่ามุ่งเอาเงินเป็นหลักมุ่งเอาความสามารถของเราให้เหมาะกับงานเอาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยพัฒนานงานขึ้นพอพัฒนานงานมันก็พัฒนานเงินมันเป็นของคู่กันเอาพัฒนานงานกับตัวเราให้มันสอดคล้องกันซะก่อนเราจะได้มีความสุขเรื่องเงินได้มาทีหลังไม่ต้องกลัวแล้วก็พยายาม ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์กับสังคมคนพิการต้องหมั่นยิ้มสเสน่ห์คนพการคือรอยยิ้มรอยยิ้มแบบไม่มีความหมายเลยล่ะเป็เสน่ห์องคนพิการทำอะไรกับสังคมไม่ได้ยิ้มให้สังคมหัวเราเย่ะสังคมที่มันยังเศร้าหมองอยู่ทำได้ง่ายเลยไม่เสียงเงินแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งในสิ่งแวดล้อม น, นั้นไม่เที่ยมงมันค็อื่นรับ อันนี้ประเดนสามคือสำคัญที่สุดเลยที่จะพูดใน ว, วันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มันเหนือความพิการทางกายและผลออกมาคือใจจะไม่เป็นทุกเนี่ยสำคัญจุดนะยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นจนจิตใจไม่พิการแล้วใจก็จะ ค้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความพิการจากตึงทั้งปวงแล้วเอาใจที่ไม่ทุกข์เนี่ยมาทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยหน้าที่ก็ดีใจเราก็ดีด้วยอันนี้สามอยากจะเน้นมากมันทําให้เราเกิดการเรียนรู้หลายๆอย่างโดยการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตเนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปอยู่ที่วัดหรือไม่ต้องบวช หรือไปที่บ้านใครไม่จำเป็นอยู่ที่ไหนก็พัฒนาได้โดยเพราะพัฒนาจิตควบคู่ไปอบการทำงานพัฒนาจิตควบคู่ไปการทำงา น, น, าา ท, ำงานทำงานประกอบอาชีพนี่แหละสามารถพัฒนาจิตใจได้ได้สองต่อเลยได้ทำงานด้วยและพัฒนาใจด้วยไม่ต้องบวชไม่ต้องไปไปฏิบัติธรรมที่ไหนแต่มีหลักอยู่นิดหนึ่งว่า เราจะทำอะไรก็ตามงานแล้วก็ตามที่เราทำเนี่ยกับการดำเนินชีวิตเนี่ยพยายามที่จะใส่ใจที่จะย้อนกลับมาดูตัวเราให้มากๆดูตัวเราการพัฒนา จ, จิตต้องดูที่จิตดูที่ตัวเราที่ที่ตัวเราต่เช่นเวลาเราเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะนอนก็ดีจะนั่งจะยืนจะเดินหรือจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะมีสติมาอยู่กับเนื้อกับตัว นะอยู่กับตัวจิตใจอย่าเลื่อนลอยเวลาที่ทํางานเอาสติมาอยู่กับตัวเราสติเป็นการช่วยพัฒนาจิตได้อย่างดีเลยเห็นว่าเราทํางานใจก็ไม่เลื่อนลอยชีวิตที่ปิดผ้าใน่ดตดพอเราทํางานแบบขาดสติเกิดความประมาทจิตใจเลื่อนลอยจะเกิดอุบัติเหตุได้ไหลายอย่างแล้วงานก็ผิดพลาดแต่ถ้าเราทํางานตรงไหนจิตใจจดจ่อที่นั่นไปแล้วก็เราได้เป็นการพัฒนาจิตแล้ว โดยเฉพาจิตอยู่กับแดนงานใช่ไหมจิตอยู่กับดนงานจิตก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวอาดีตรหรืออนาคตอยู่กับปัจจุบันกับงานที่เราทํารับรองว่าใจจะมีความสุขสนุกกับการทําหน้าที่ไม่เบื่อไม่เต็งไม่ท้อแท้ที่เราเบื่อเต็งท้อแท้ขณะทํางานหรือเบื่อชีวิตเพราะจิตใจเรามัวแต่ไปคิดไปคิดไปหวัง ไปกลุ้มไปเต็งใจมาเลื่อนลอยออกไปจากร่างกายเลื่อนลอยไปคิดไปปรุงแต่งตามอารมณ์ที่เราเคยคิดมาถ้าเอาใจจดจ่ออยู่การทํางานเหมือนการนั่งฟังเนี่ยถ้าใจอยู่การฟังเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกใจก็สบายดีแต่ถ้าคิดล่วงหน้าหรือคิดกังวลหรือย่อรอยเดี๋ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วใจก็จะเหมื่อยลอยแล้วจะฟุงสร้านจะมีความทุกข์เลยนะ ความทุกข์จะแทรกขึ้นมาหลังจากที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันด้วยสติแต่สิ่งนี้เราห้ามไม่ได้นะเราทํา ง, งานอยู่บาทีใจมันก็ลอยบทีมันก็ไปคิดคิดถึงคนนู้นเบื่อคนนี้มันย่อมมีแต่ไม่เป็นไรถ้ามันมีให้มีสติรู้ทันอ๋อนี่มันคิดนะ น, นี่เอ๋อใจมันคิดเนี่ยใจมันฟุ้งเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกสติเป็นวิปัสสนาเลยนะ เป็นการดูจิตดูใจเราเลยรู้เท่าทันจิตใจที่มันคลิกปรุงแต่งเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมขณะทํางานเลยได้สองต่อได้ทั้งงานได้ทั้งทำโรคไม่ชำทำทำไม่เสียเนี่ยมาเติมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตเนี่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เราต่อสู้ชีวิตมาจนกทั้งพิกาแบบนี้แล้วจะต่อสู้คิดไปถึงไหนไม่อยากให้เราต่อสู้ อยากให้เราเรียนรู้ชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้แบบไม่ใช่แรงงานเลยนะแค่สังเกตดูว่าใจเราเป็นอย่างไรนะชีวิตมันต้องเรียนรู้ต่อสู้มากไปมันก็เหนื่อยเรียนรู้สิมันเกิดขึ้นใน ใ, นใจเราศึกษาดูสิว่าใจที่มันคิดกังวลเนี่ย มันแน่นอนไหมมันกังวลจริงหรือเปล่ามันเที่ยงแท้หรือเปล่ามองเห็นแต่ธรรมของชีวิตของจิตใจแล้วว่าแม้แต่ความคิดมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเรื่องที่เราเคยทราบหมอมาแต่อดีตเนี่ยขณะปัจจุบันถ้าไม่คิดจิตมันก็ไม่กังวลถ้าคิดถ้ามีสติรู้เังนั้นก็จะดับไปแต่หน้า ต, าตา่อาให้มีสติรู้ทันจิตใจที่มันคิดปรุงแต่ง ขณะใช้ชีวิตเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันจิตใจเราและต่อไปรับรองจิตใจมันจะผ่องใสมันจะไม่เป็นทุกมันจะไม่เครียดและใจที่มันผ่อนคลายไม่เครียดเนี่ยมันก็ทำงานด้ดีมีความสุขทำงานไปกังวลไปเพราะเราทำงานแบบขาดสติไม่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหลองฝึกพัฒนาจิตตรงนี้ดูสิโดยการมีสติกลับมาดูตัวเรานะครทาหน้าที่ นอกจากใจจะไม่เลื่อนลอยแล้วเราก็ยังได้อยู่กับการทํางานแบบมีสติได้ปฏิบททัติธรรมถ้ามีสติรู้ตัวไปเรื่อยเนี่ยเราจะรู้ความจริงของชีวิตนะเราจะเห็นว่าไอ้ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันไม่ใช่เราซะแล้วเหมือนใครก็รู้ที่มันกําลังเดินไปเดินมาหรือนั่งทํางานอยู่มันเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะเหมือนใครก็รู้ที่อยู่ในตัวเราที่มันทํางาน เรากลายเป็นคนดูร่างกายที่มันทำงานเลยเรากลายเป็นคนดูร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนดูร่างกายรู้ใช้ร่างกายทำทุงทาง น, น, างนี้เหมือนคนบังคับรถแมคโครแมคโครคือรถก็ตักไปคนบังคับก็คือผู้ที่บังคับแมคโครคือร่างกายจิตใจคือผู้ที่บังคับให้มันทาคนขับแมคโครก็ไม่ใช่รถแมคโคร นะเหมือนใจเรานะ่ะมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันอาศัยอยู่ด้วยกันแต่มันทำงานตัวอย่างกันจิตทำหาที่ใช้กายไม่ที่เคลื่อนไหวนะเป็นที่มาของการแยกจิตแยกกายแลวจะรู้ว่าอะไรคือผู้พิการอะไรคือผู้ที่ดูคนพิการภายในตัวเรานี่แหละมันแยกกันได้ถ้าฝึกสติบ่อยๆกับการใ ช, ช้ชีวิตยอย่างมีสติ มันจะเห็นจิตกับกายเนี่ยมันแยกกันแต่ไม่ได้แยกไปไหนอาศัยอยู่ที่กันเหมือนน้ำกับน้ามันซึ่งไม่ปนกันกายจะเป็นทุกข์ยังไงพิการอย่างไรเนี่ยใจจะไม่ทุกข์ด้วยเป็นที่มาของการเราออกจากความพิการนะ <c oughs> ละออกเลยเห็นว่ากายสัตวว่ากายมันไม่ใช่เราเ ป, เป็นแค่เครื่องอาศัยแล้วก็ใช้ร่างกายทำงานให้เป็นประโยชน์ ทั้งตัวเราเองและก็คนอื่นนะเนี่ยมันเริ่มมีปัญญาเริ่มพัฒนาจิตนะเริ่มพราะจากความพิการทางจิตแล้วนะพิการไปเรื่องของกายใจไม่พิการด้วยและต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นจิตใจที่มันละเอียดที่มันเป็นความคิดที่มันแอบมาปรุงแต่งที่เราไม่ได้เชิญมีไหมความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดอะเราไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดอยากจํากลับลืม อยากลืมกลับจำเราจะรู้ทันว่าไอ้นี้มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นความคิดเป็นแขกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะไม่เชื่อมันเราจะรู้ทันมันจะไม่เชื่อมันความคิดคือความคิดไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงสิที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นแต่จะทำว่าทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงแม้แต่จิตใจเราก็ไม่เที่ยง ใจเราบางทีมันก็รู้ทันบางทีก็รู้ไม่ทันโอ้ใจนี่มันก็เชื่อมไม่ได้บางทีมันก็รู้บางทีมันก็ลืมมันีก็หลงโอ้นี่เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยประกาศลาออกจากติดที่มันําตอนคิดตะพัยเรื่องเราก็จะไม่เชื่อมันแต่เราจะใช้มันทำหน้าที่คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดเป็นระเบียบไม่ฟุ้งซ่านถึงเวลานอนก็หยุดคิด แล้วก็หลับได้อย่างสบายมีความสุขมันจะควบคุมจิตใจได้แม้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราควบคุมในการรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะแม่ต่อสู้ไปต่อสู้จิตใจแม่เห็นคิดเนี่ยมันเครียดเคยไหมเคยห้ามความคิดไหมเรารักเขาแต่ห้ามไม่ให้จิตมันรักได้ไหมยิ่งห้ามมันยิ่งรักเวลามันโกรธ ให้มันหายโกรธยิ่งให้มันหายมันยิ่งโกรธแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อี่จิตมันโกรธนะไม่ใช่เราโกรธเราไม่ทํำตามมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะเราไม่ให้ความสําคัญมันหมายไกบความโกรธที่ในใจเรานี่แค่ความโกรธนะั้ะมีความซึมเศร้าความเทเียความกังวลหลายอย่างความอิจฉาตนนีมันไม่ใช่เราเราเป็นลิงจิที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง เราไม่เชื่อเราไม่ห้ามแต่เรารู้ทันนี่ถึงเวลาใช้ความคิดก็จะคิดแบบแยบค้าแบบเป็นระเบียบเป็นระบบแก้ปัญหาตัวเองได้เห็นไหมเริ่มเห็นจิตสัตวว่จิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวใครเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏและกระดับไปเองเห็นจธรรมของชีวิตเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีใครพิการนะมีแต่ความพิการแต่ไม่มีคนอยู่ในความพิการ เรากลายเป็นผู้ดูซะแล้วนะเป็นผู้ดูนี่สบายนะเคยดูละครไหมดูละครสนุกนะแต่เข้าไปเล่นเหนื่อยมากเป็นผู้กุมกับนเหนื่อยมากเป็นผู้ดูละครจะตบตียงไงไปเป็นเรื่องของละครเราไม่ได้ไปตีเขาเราก็ดูเฉยๆนะละครจะหัวเราะเราก็รู้อ๋อเนี่มันหัวเราะนะมันมันขำเนอะรู้เท่าทันละครที่มันแสดงไม่ต้องเข้าไปแสดงกับเขาไม่ได้ผู้กุมกับละครผู้ที่ดูละคร ละครชีวิตก็เหมือนกันนะเราก็เล่นไปตามบทบาทก็ทําหน้าที่กับทางานไปดำเนินชีวิตไปแต่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เราเราเป็นเพียงแค่เราเป็นผู้ใช้มันทําหน้าที่มันจะพิการไงไม่สําคัญล่ะจะไม่มีคนพิการจะมีแต่ผู้รับรู้รับทรา บ, บ, บ, บประท่านั้นเองแล้วก็ใช้สภาพที่พิการไปเหมือนคนปกติมันลาออกจากความพิการเลยลาออกโดยการที่ไม่ยึดติด ว่ากายว่าจิตเป็นของเราเป็นแค่เครื่องอาศัยตาหน้าที่เท่านั้นเองเนะไม่ได้ไม่เสียเขาอันนี้จิตใจมันจะดีนะมันจะไม่พิการนะแม้แต่ร่างกายจะพิการเป็นทํานากเป็นเรื่องของกายแต่ใจนี่มันพ้นมาซะแล้วอิสระเนี่ยลาออกจากความพิการทางจิตไปเลยไม่ยากความพิการมีไว้เพื่อใช้ลาออกไม่ได้มีไว้เพื่อลาเข้าไปเป็นตัวเอง ทายติ่ก็เป็นเรากับพิการตลอดชีวิตเกิดพบหน้าชาตินะอาจจะพิการต่อก็ได้นะถ้าไม่รีบลาออกซะก่อนจะตายอ่ะต้องลาออกการเราออกจากความพิการไม่ใช่คิดเอาคิดเอาเราออกไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งเป็นคนพิการยิ่งคิดยิ่งมีกรรมให้มิติรู้เทันว่าใครกันแน่ที่พิการมันเราหรือมันใครไอ้ตที่เราเป็นเราเราคิดตูวคิดว่าเป็นเรามันเป็นธรรมชาติ กรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดที่เรายึดติดว่าเป็นเราถ้าจิตเราไม่คิดไม่ยึดติดกรรมมันก็จะไม่ส่งผลนะกรรมส่งผลเมื่อเราไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยมันแกะไม่ออกเลยลองฝึกสติกับมาดูตัวเราบ่อยๆจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราหรอกเนี่ยเหมือนถังตะลุงนะถังตะลุงกรเชิดไปเราเป็นคนเชิดนังตะลุงกระเต้นไปความพิการไม่ไว่าไหลาออกนะ ไม่ได้เข้าไปเป็นการเราออกจากความพิการนั้นต้องออกด้วยการฝึกสติกลับมาดูตัวเราบ่อยๆเห็นไหมได้ทั้งการทำงานได้ทั้งการปฏิบัติธรรมเลยได้เรียนรู้ชีวิตหน้าที่ ก, การงานก็ทำไปทำให้ดีที่สุดเลยแต่อย่าลืมทำใจไม่ให้ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นไทำได้ทั้งงานทั้งใจเลยสบายเลยกายพิการแต่ใจไม่พิการ พวเองก็ใช้บทีแบบนี้นะแต่ก่อนที่พิการในหม่ๆเนี่ยโอทุกมากเต็มร้อยทั้งกายทั้งจิตทุกมากเลยแต่ต่อมาเนี่ยมาฝึกสติใช้วิตอย่างมีสติจนเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงของชีวิตล้าออกจากความพิการแต่ก่อนยิ้มไม่ออกตอนนี้เป็นมาสามสิบปีแล้วในปีแรกๆยิ้มไม่ออกหน้าจอมอง แต่พอมืาฝึกสติดูตัวเราไม่ปลยใจฟุ้งร้างให้มีปัจจุบันขณะอยู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติพอเริ่มเข้าใจาชีวิตแล้วมันยิ้มออกมาได้พอเรายิ้มได้คุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างก็ยิ้มได้เหมือนกันสิ่งไม่้อมครอบครัวมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยพอเริ่มจากตัวเราเรายิ้มได้คนรอบข้างก็ยิ้มได้แล้วโลกทั้งโลกดูมันสดใส ก่อนที่จะปึกปฏิบัติทำพระจันข้างขึ้นพระจันก็มีหนวดแต่พอปฏิบัติแล้วเราสบายใจพระจัน์ไม่มีหนวดไม่ดุแลแต่ว่าโลกทั้งโลกนี่มันสดชื่นการละความอีการเพื่อแม่หรือเพื่อใครก็ตามเนี่ยเราต้องได้ก่อนใจเราดีก่อนถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยแม่ก็ดีใจพ่อแม่ก็ดีใจคนที่ก็รักเราก็ดีใจ เรายิ้มได้คนรอบตัวเราเขาก็สบายใจเราไม่ทุกข์คนใกล้ตัวเราเขาก็มีความสุขมันต้องเริ่มขึ้นเรื่องจากตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นกายพิการแต่ใจไม่พิการเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้เพราะร่างกายเท่านั้นที่มันพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยเราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเหมือนคนปกติเลยเราสามารถแสวงหาความสุข ได้ดังคนทั่วๆไปถ้าเราวางใจดีๆนะจะมีความสุขกับคนที่มีร่างกายเป็นปกตินี่ซ้ำไปวางใจดีๆมีความสุขเพราะว่าความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ใจไม่ที่ร่างกายคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญไม่ใช่ร่างกายการจะเริ่มทาที่มีคุณค่าต้องเริ่มที่จิตใจก่อน ือเรียกว่าชีวิตจิตใจชีวิตจิตใจทำงานอย่างมีชีวิตชีวาคือทางานอย่างมีใจที่จดจ่ออยู่กับงานไม่สังงกระตายไม่ทอแจ้ไม่ต้องหมอเพราะนั้นเรามาอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้มันดีเราสามารถจะฟื้นฟูสิ่งที่มันขาดหายไปหรือที่เสื่อมอวัยวะนะที่มันเสื่อมหรือมันหายไปเนี่ยให้มันดีแทน อวิวัตที่มันเรียกว่าอ่อนแรงก็ได้ส่วนที่หายไปไม่เป็นไรเราฟื้นปูส่วนที่เหลือให้มันแข็งแรงแล้วมันก็สามารถใช้แทนกันได้ด้วยฟื้นปูได้เลยใช้แทนกันได้อีกอันหนึ่งก็คือสำคัญที่สุดก็คือเราต้องอย่าไปท้อแท้ใจนะอยากคิดต่อใจแต่เสียเวลามันช่วยใจเราไม่ได้หรอกอย่าลงโทษตัวเองอย่าดูถูกตัวเอง อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นกรรมใครกรรมเราไม่เกี่ยวกันไม่ต้องเปรียบเทียบกันแล้วก็อย่าย้อนคิดเปรียบเทียบชีวิตเราปัจจุบันกับอดีตจนเด็อดขาดถ้าคิดย้อนไปใจเราเศร้าหมองอย่าตกจมอยู่กับความคิดเก่าๆคิดแล้วสิ้นหวังอย่าไปคิดคิดแล้วมันต้องมีหวังชีวิตเป็นจริงก้าวหนะ้าถ้าเราไม่คิดทอแท้ เราสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้มันดีขึ้นได้เราจะเห็นว่าใจเราเนี่ยสามารถดีและมีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเราจะมองเห็นว่าสกิรภาพของชีวิตเราเนี่ยมันดีเกินที่เราคิดแะ่ด้วยซ้ำไปอย่าดูถูกตัวเองใจสู้ๆหน่อยใจสู้ถ้าราจะไปเจอกับปัญหากับสภาพร่างกายที่ไม่สะดวกเราก็จะผ่านไปด้วยดีเลยถ้าเรามีความกล้าพอเพราะนั้นอย่าไปกังวลนะ อย่าไปกังวลกับภาพร่างกายที่พิการจนเกินไปทําให้ใจเราไม่มีความสุขอย่าไปกังวลร่างกายมันเลือกไม่ได้มารักษาแล้วไม่หายไม่เป็นไรแต่ใจเราเลือกได้เราเลือกคีดใจไว้ก่อนถ้าใจดีเดี๋ยวอะไรอะไมันก็ดีเลือกคิดใจฟื้นฟูจิตใจไว้ก่อนถ้าร่างกายพิการหรือมีปัญหาเราทําใจให้เป็นทําใจให้เป็นเราจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นที่ตัวเรา สิ่งที่สำคัญสุดคือต้องศึกษาตัวเองศึกษาชีวิตพัฒนาจิตใจเราด้วยการฝึกสติรู้เท่าทาันตัวเราเสมอๆ เ, เราจะสามารถยกหับใจพ้นจากความพิการได้เราจะรู้ความจริงของชีวิตและก็ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ใจไม่ทุกเนี่ยวันเนี้ยมาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ด้วยการสนใจกับธรรมะคือกลับมาดูตัวเราเองให้มากๆก็ขอเป็นกำลังใจนะขอเป็นกำลังใจกับเพื่อนผู้ที่มีร่างกายพิการทุกๆคนจะพิการน้อยพิการมากไม่สำคัญขอเป็นกำลังใจขอให้ใจสติปัญญาเพื่อพัฒนาจิตใจให้ยกหลับจิตใจให้มันพ้นจากความพิการมันจะได้พ้นจากความทุกข์และก็มีชีวิตที่ ด, ดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคน